เรื่องยิงไม่เป็นมันหนึ่งเรื่องสมัยนั้นยิงไม่เป็นหมันคนหนึ่งบอกที่สูที่นางอุปธรรมว่าถ้าคุณเจ้าโปรดหายาที่ทําให้ดิฉันหยุดมีลูกด้วยเถิดภิกษุนั้นรับคําแล้วได้ให้ยาแก่หญิงลูกโดกนั้นนางถึงแก่ความตายพิษสูนั้นเกิดความกัวงวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชีพหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ รพรงครัว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องอบัติทุกกฎดวงเล็บเรื่องที่68